ทีนี้ต่อไปนะว่าดูก่อนพี่สูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในการก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนได้นําความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากนะเรียกว่าสแสวงหาความสุขให้คนทั่วไปบรรเทาความหวาดกลัวและความสะดุง้งคือเกิดเหตุการณ์ร้ายทําให้คนหวาดกลัวหวาดสะดุง้งหวาดเสียวเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็จะป้องกันพวกเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้น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 ซึ่งตรงนี้ท่านอธิบายว่าท่านได้ให้ทานพร้อมวัตถุบริวารก็คือให้วัตถุทานสิบอย่างมีข้าวเล่นน้าเป็นต้นอธิบายว่าคําว่าข้าวได้แก่ข้าวยาคูข้าวยาคูก็คือข้าวต้มเป็นต้นนะอธิบายว่าเมื่อจะให้ข้าวยาคูนั้นไม่ได้วางไว้ที่ประตูแล้วให้นะไม่ใช่ไปวางไว้เออโน่อนอยู่โน่นไปเอาก็แล้วกันไม่ทําอย่างนั้นได้โปรโยด้วยข้าวตอก ดอกไม้เอาไว้ในที่ฉาบทาด้วยของเขียวภายในนิเวศปูอาสนะผูกเพดานกระทําสการะด้วยของหอมและทูบเป็นต้นนิมนต์ที่สุสงให้นั่งแล้วถวายข้าวยาคูอันหนึง่งเมื่อจะถวายข้าวยาคูก็ได้ถวายพร้อมกับกับด้วยนะคล้ายๆกับว่าข้าวต้มไม่อย่างเดียวนะก็มีพวกกับข้าวต้มที่มีกับอยู่ด้วยเรียกอะไร อ, อ, อย่างนั้นนะเมื่อเสร็จการดื่มข้าวยาครูก็ได้ชำระเทา้าเอาน้ํามันทาถวายของเคี้ยวไ ล, ล่ๆอย่างมากอย่างในที่สุดก็ได้ถวายโภชนะอันประณีตมีสู ป, ปะและพยัญชนะหลายอย่างก็คือถวายข้าวและกับข้าวหลายชนิดเมื่อจะถวายเครื่องดื่มก็ได้ถวายเครื่องดื่มแปดอย่างมีอัมพะปานะเป็นต้นอัมภแปลว่ามะม่วงอ๋อยอมให้เก่งนะ ปานะแปลว่าน้ําดื่มกาน้ําดื่มที่ทํามาจากมะม่วงครั้นถวายข้าวยาคูนั้นแล้วนะก็คือก็ถวายข้าวถวายน้ําหลังจากถวายน้ําก็จะถวายผ้าถวายผ้าก็ไม่ได้ถวายผ้าล้วนๆเท่านั้นแต่ถวายผ้าอันเพียงพอมีชั้นเดียวและสองชั้นเป็นต้นไม่ถวายผ้าอย่างเดียวได้ถวายเข็มบ้าง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 เราก็จะได้ฟังเผื่อตรงไหนเราประยุกต์ทําได้เราก็ทำทำไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนบทว่า ย, ยานคือรองเท้านะถ้าสมณะพรามก็คือให้รองเท้าแม้เมื่อถวายรองเท้านั้นก็ได้ถวายถุงใส่รองเท้าไม้แขวนรองเท้าน้ํามันทารองเท้าและทานวัตถุมีข้าวเป็นต้นดังกล่าวแล้วในหนหลังคือจะตัดทําบุญถวายรองเท้าก็ไม่เอารองเท้าไปถวายโดดๆไม่ใช่อย่างนั้น ก็มีงานเลี้ยงงานอะไรอย่างอื่นๆด้วยได้ทำให้เป็นบริวารของรองเท้านั่นแหละถวายรองเท้าจริงแต่บริวารของรองเท้ามีหลายอย่างจะถวายผ้าจริงแต่บริวารของผ้ามีอีกหลายชนิดจะถวายอาหารชุดนี้ปุ๊บก็มีบริวารอย่างอื่นอีกทำไมท่านคิดให้ได้นะเดีย๋ยวเราก็ต้องฝึกฝึกสมาทานามีโอกาสแล้วจะทำอย่างนี้บ้างแม้เมื่อถวายดอกไม้ก็ไม่ได้ถวายดอกไม้ล้วนๆเหมือนกัน ได้เคล้าดอกไม้นั้นด้วยของหอมแล้วก็ถวายสิ่งทั้ง4อย่างเหล่านี้ในภายหลังกระทำให้เป็นบริวารของดอกไม้นั้นคือถ้าหากว่าจะถวายดอกไม้ก็มีข้าวมีเครื่องดืม่มมีผ้ามีรองเท้าด้วยเป็นบริวารของดอกไม้เหม น, นแม้เมื่อจะถวายของหอมเพื่อบูชาต้นโพเจดี JD, อาสนะนะเจดี JD, อาสนะและคำพีเป็นต้นและเพื่อร่มเรือนเจเพื่อลมเรือนเจดี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 นั่นแหละก็คือถวายตั้งแต่ข้าวเรียกว่าถวายอันนี้จริงแต่ก็เอาอันอื่นมาเป็นบริวารอีกบทว่าที่นอนก็คือเตียงตังแม้เมื่อจะถวายเตียงและตังนั้นก็ไม่ได้ถวายเตียงและตังล้วนทีเดียวคําว่าถวายนี่แปลว่าให้นะไ ม, ไม่ได้แปลว่ายกประเคนนะแต่ถวายก็คือมันเป็นสำนวนที่ททกล่าวกับพระเป็นต้นแต่ที่จริงก็คือการให้นั่นแหล ะ, ะให้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวว่าใครแต่ท่านยกตัวอย่างพระภิกษุขึ้นมา ขณะดเดียวกันก็คือคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันอ่าให้แม้ที่สุดกระดานและไม้ชําระพร้อมทั้งผ้าโกเชลผ้ากําพลเครื่องล่าและขาเตียงกระทำเจ็ดสิ่งในภายหลังให้เป็นบริวารของเตียงนั้น น, นนะก็คือถวายเตียงก็จริงนแหละแต่ก็เลี้ยงข้าวตั้งแตข้าวเป็นต้นมาอีกแม้เมื่อจะให้ที่อยู่ก็ไม่ได้ให้เพียงเรือนเท่านั้นนะก็ให้กุฏิถวายกุฏิถวายศาลาอะไรเป็นต้นนี้ ก็ได้กระทำเตียงและต่างที่ตกแต่งเป็นอย่างดีไม่ให้แต่อาคารนะให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยว่ากันประดับด้วยมาลากรรมและระดากรรมนะมาลาก็ดอกไม้ระดาไม่รู้อะไรระดาแปลว่าอะไรคนะันั่นแะดอกไม้เขาบอกว่ามาลากรรมและระดากรรมแล้วถวายสิ่งแปอย่างเหล่านี้ในภายหลังกระทำให้เป็นบริวารของที่อยู่นั้นนั่นแหละ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 คล้ายๆกันถวายหลอดไฟก็ถวายค่าไฟด้วยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ได้โดดๆอู้อันนี้จะถวายอันนี้อาจจะสมมุตินะให้หนังสือเอ้วยกหนังสือให้ไม่ให้ดินสออะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็คือให้ในเรื่องนั้นๆก็ให้เป็นชุดๆไปนั่นแหละเขาเรียกว่าท่านเวลาจะให้ทานก็ให้พร้อมด้วยบริวารเอออันนี้สงอย่างนี้จะได้ยังไงตถาคตนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์คือพระองค์เองนะพระองค์ทากรรมแล้วกรรมอันนั้นก็ให้ผลแก่พระองค์ เพราะกรรมนั้นอันตนสั่งสมพโกพภูนภัยบู์ไว้ตถาคตก็ครอบงำเทวดาทั้งหลายในเทวโลกด้วยฐานะสิบฐานะสิบก็คือเหตุสิบอย่างมีอายุวันนะสุขยศและอธิบดีรูปเสียงกลินภภ่นรสโพทะนะตายจากสวรรค์โอ้สวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือนะผลของการทาบุญพร้อมทั้งบริวารและ และสแสวงหาความสุขให้แมมหาชนเนี่ยนะคือได้ฝ่าเท้าทั้งสองมีจักเกิดแผ่นฝ่าเท้ามีจักอะ่ะคล้ายก็มีล้อมีซี่กรรมพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดีว่างั้นแตะกรรมเนี่ยแบ่งให้ท่านเรียบร้อยหมดพระมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่คลองเรือนจะได้เป็น พระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะก็จะได้รับผลพิเศษขึ้นมาอีกอนิมิตอันนั้นทําให้ฝ่าเท้านี่มีจักใช่ไหมมีรอยจักอยู่ในนั้นเสร็จแล้วผลพิเศษอีกถ้าเป็นพระราชาจะเป็นผู้มีบริวารมากคือมีบริวารเป็นพราหมณ์เป็นขุราบดีเป็นชาวนิคมชาวชนบทหูราจชย์มหาอมาตกองทหารนายประตูอมาตบริษัท เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมาร น, นะก็คือพวกบริวารแปลง่ายๆก็คือถ้าเป็นในหลวงก็ประชาชนเยอะแย ะ, ะถามว่าถ้ามหาบุรุษนั้นออกผนวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในลูกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลอะไรนะมีผลอะไรพิเศษไหมนอกจากฝ่าเท้าที่ว่ า, ากุศลที่ทําแล้วมีบริมีของอย่างอื่นเป็นบริวาร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 นะเป็นสาวกแท้ๆของท่านก็ต่อเมื่อเป็นพระโสดาบันทัศก า, ธธาคามีเป็บพรนาคามีตอนนี้โอ้เราได้เป็นห่างๆก็อยังดีนะ 2,000 ันกว่าปีก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะก็ดีกว่ารอบปอบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไม่รู้กี่แสนปีก็ไม่รูอ้องค์นี้ห่างสมมตินะถ้าคิดถึงองค์ใหม่ป๊บโอ้แผ่นดินหนาอีกเป็นกิโลเมตรอ่ะเป็นสิ1สิกิโลเมตรอ่ระภาษีอ่านจึงจะมาตัดสรุยยุคคนมียอายุแปด0 0ปี อสองพันกว่าปีก็ไม่ห่างนะทีแรกก็แม่้เรานี่บุญน้อยเหลือเกินเกิเดห่างพระพุทธเจ้านะสองพันกว่าปีนะทำกรรมทำเวรอะไรมาไม่รู้น้อยอกน้อยใจจะรอองค์ใหมย่ยาวนาะเออองค์นี้ก็ไม่นานเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวคาถาประพันธ์ไว้ว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ น, นาความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมาก บรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสด็งขวนขวายในการคุ้มครองและป้องกันนะก็คือทําบุญประเภทนี้นะช่วยป้องกันยอมก็ฟังไหมป้องกันใครม้างเรีย <c> ก <oughs> ว่าให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจแก่คนทั่วไปนะเรียกว่าไปช่วยสงเคราะห์เขาอะ่ะเพราะกรรมนั้นถ้ามหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิศเสวยความสุขและสมบัติ เป็นที่เพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากทิพแลว้วเวียนมาโลกนี้ย่อมได้ลายจักทั้งหลายมีซี่กมพันหนึ่งมีกงมีดุมโดยรอบที่ฝ่าพระบาททั้งสองนะฝ่าเท้าเสมอด้วยนะยังมีรอยจักอยู่ด้วยอะ่ะในฝ่าเท้าพวกพราหมณ์ผู้ทํานายลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระราชกุมารมีบุ ญ, ญลักษณะเป็นร้อยๆก็คือพระโพธิสัตว์นี้ประกอบ ด้วยลักษณะประกอบด้วยบุญเป็นร้อยๆออที่ท่านทํามาเนี่ยไม่ใช่ทําบุญมาอันเดียวมาตกแต่งร่างกายอ น, นันต์นนะเพราะว่าบุญชาตินูน่นมาแต่งเรื่องนี้บุญชาติน้นมาแต่งเรื่องนี้นะคล้ายๆกับภาพประกอบรถคันหนึ่งก็โอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้สั่งมากี่บริษัทไม่รู้นะเพื่อที่จะมาประกอบเป็นรถคันหนึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะไม่รู้ว่าบุญไม่รู้กี่กี่ชาติกี่ชาติมาแต่งเป็นของเราขนาดเนี้ย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 มันเวลาทากรรมเนี่ยก็ศึกษาให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยทํากรรมที่บกพร่องเอาไว้และชาติหน้ามานั่งโอดครวญโอ้ยตัดรู้ทําไมมันอาภาัพจริงเนอะอเกิดมาชาตินี้ไม่งามก็เข้าเลยเงี้ยเดี๋ยวเสียใจในภายหลังไม่ได้เนี่ยคุณต้องฝึกทากุศลเอาไว้ดีๆอันนะ้ถ้าหากว่าผู้ที่มีลักษณะด้วยบุญเป็นรอ้อยๆอย่างนี้พราหมณ์ทั้งหลายเห็นลักษณะปุ๊บทํานายว่าพระราชกุมารนี้จะมีบริวาร ย, ย่ํำยี นั่นคือมีบริวารมีศัตรูก็คือไม่มีใครย่ายีท่านได้เพราะจักทั้งหลายมีกงโดยโรอบอย่างนั้นนะมีฝา่ามือฝา่าเท้าเป็นลายจับอ่ะถ้าพระรชกุมารนั้นไม่ทรงออกผนวด <c oughs> ยังจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินกษัตริย์ที่มียศมากติดตามแวดล้อมพระองค์ไปที่ไหนคนติดตามเป็นร้น่นนะนะ ก็คือพระพุทธเจ้านะเวลาพระองค์เสด็จไปไหนนะส่วนใหญ่ภิกษุห้0รจะติดตามเป็นปกติถ้าช่วงหลางๆเนี่ยช่วงใกล้จะนิพพานเนี่ยเป็นเป็นไล่ล่พันก็บอกว่าวันที่พระองค์นิพพานนี่มีภิกษุไปร่วมงานอยู่ประมาณ 700,000 เฉพาะพระภิกษุนะติดตามเพราะก็ทั้งภิกษุในประเทศสมัยนั้นที่บวชเนี่ยพอข่าวว่าพระองค์จะนิพพานเนี่ยเริ่มติดตามแล้วพอพระองค์บอกข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนวงจะนิพพานก็เริ่มติดตามติดตาม แต่ถ้าเป็นปกติบางช่วงก็ติดตามสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยก็ติดตามมากแต่ไม่ต้องห่วงถามว่าโอ้โหแล้วจะพอฉันเลยก็บอกว่าถ้าพูดแบบสมัยนี้สัมนวนสมัยนี้ก็คือสิบล้อเรียงจอดอาหารมาบรรทุกเรียงรอบเลยสมัยก่อนก็บอกเวียนต่อเวียนเนี่ยทูบเกวียนต่อเวียนต่อเวียนต่อเวียนเป็นยดโยศอ่ะมารอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราถวายบ้างรอเมื่อไหร่จะถึงคิวถวา่าคิวบ้าง น้ำผึ้งเนี่ยนะก็บอกว่ามันมีโรงเก็บน้ำผึ้งเนี่ยนะมาจัดอะ่ะมีโรงครัวมีอะไรก็บอกพระองค์ตรัสว่าไม่มีภิกษุมีภิกษุสองหมู่ใดที่จะมีลาบเท่ายุคนะั้นก็คิดดูว่าลาบในผู้าศาสนาไม่ใช่ของ น, น้อยๆนะก็ดูเฉพาะผู้าศาสนาเนี่ยกี่พันปีมาแล้วเฉพาะโบสถ์ในเมืองไทยเฉยๆเนี่ยเฉพาะโบสถ์เนี่ยกี่พันล้านแล้วโบสถ์บางหลังเนี่ยก็เป็นพันล้านแนละ้วใช่ไหม โบสถิวโสทรตอนนี้ก็สร้างเป็นพันล้านแนละ้โบสถ์หลังเดียวอะ่ะแล้วโบสทั่วประเทศโบสหลังละ ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ้านสองล้านเปนดินเชียงใหม่เนี่ยนะพระเจดีย์หลวงนี่ก็โอ้โหลายล้านนั่นนะแล้วแต่ละเจดีย์แต่ละเจดีย์นั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆรินั้นมีมากมายมหาศาลอะไรนั้นเลยไม่ต้องห่วงว่าหาพระองค์ทรงบวชยินดีในเนคขมะจะมีพระปรีชาไอ้ปรีชาเห็นแจ้งพวกเทวดามนุษย์อสูร เท้าสักกะคพือพระอินทร์นะยักษ์คนทันนาบนกและสัตว์สี่เท้าที่มียศมากจะแวดล้อมพระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่ยงกว่าอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วแมาทบุญประเภทบริวารไว้เนี่ยนะเวลามาศึกษาธรรมะก็ชวนคนมาศึกษาบ้างกันะก็มีบริวารจุไรจติปฏิสนธินี่ไม่ใช่ของชาแนะ จุติกับปฏิสนธินะกับพิพตายัางยังชาไปนะกับพิพตาปับ๊บสมมติว่าจากจุติจิตไปปฏิสนธิจิตเนี่ยเร็วมากเลยนะไม่ใช่ของก็คิดดูระเบิดตุ้มตายปุ๊บทันทีเลยอะ่ะไม่ได้ฝังเสียญาติเลยอะ่นะเร็วขนาดนั้นอะ่ะการจย์แต่ถาามว่่แตทีนี้ว่าจะไปเกิดในภพไหนอะ่ะคะ น, นี้ตามสมควรแก่กรรมนั้นๆ ว่าที่ที่วัดต้องทํากรรมสมมุติเราเกิดใหม่แล้วก็ทํากรรมใหม่แล้วทําไมทํารวดเร็วเหลือเกินอะ่ะเขาเตรียมไปแล้วเหยังเกิดมามาชาติสองอยงนี้นะคะกรรมอะไรทําตาทําอะไรที่มาจากกา ร, รเนี่ยคือกรร ม, มเพราะว่าสังสารวัตรไม่ได้มีชาติเดียวตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีเบื้องต้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้แล้วคือมันยาวไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าน้ําตาของเราเนี่ยน้ําตานี่ใครร้องให้ เก็บทีเป็นเป็นขวดมัง้งใช่ไหมมันตาร้องทีทรัพย์ได้ทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะเก็บเก็บแล้วมากกว่าน้ําในทะเล ม, มาหาสมุทรอีกสังสารวัตรเพราะฉะนั้นกรรมไม่ต้องห่วงว่ามันมากน้อยขนาดไหนก็คิดดูว่าเห็นปุ๊บโกรธทันทีเลยถ้าเราไม่ชอบแบบมันสะสมมานานขนาดไหนใช่ไหมเห็นปุ๊บไม่ชอบใจทันทีเลยอ่ะคิดดูเห็นปุ๊บชอบทันทีเลยมันเป็นลักษณะเ น, นี่ยความสั่งสมมานี่มันมากมายแล้วเฉพาะวันนี้นะยมทํากรรมไม่ใช่น้อยเลยนะ สมมตินะทางทางตาปั๊บเห็นปึ๊บนะจิตเห็นจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธัพณะพวกนี้เป็นชาติวิบากและกิริยาชาวนะเจดวงพิบทันทีทำกรรมใหม่ละในเจ็ดวงนะั้นยังไม่พอมันต่อด้วยมโนทวามวิถีมโนทวามวิถีเป็นชาวนะชวนะชาวนะวนะถ้าใครหัวดีๆหน่อยหรือว่าเป็นคนคิดมากในชาวนะเล่นปุ๊นะพวกคิดมากนี่เห็นปุ๊บคิดเป็นกรรมทั้งหมดเลยนะั่นะ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทีนี้ว่าในขณะหนึ่งนี่เราผลิตกรรมขนาดไห น, นโรงงานสร้างกรรมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะมากกว่าวิบากมากมายมหาศาลบางครั้งเนี่สมมติว่าเรานั่งใจลอคิดบางเรื่องอยู่นะคิดเป็นสิบสิบนาทีเลยโดยที่ไม่ไม่มีวิ ญ, ญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนะชาวนะเกือบลุ้นลุ้นเลยอะ่ะแล้วกรรมนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วไม่ใช่วันเดียวใช่ไหมไมันกี่วันมาแล้วอะ่ะ เฉพาะชาตินี้ก็ไม่รู้เอากรรมไปเก็บไว้ที่ไหนหมดทำจะให้ผลนะถ้ามันให้ผลเนี่ยไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วอีกในอดีตชาติอดีตอดีตอดีตไปอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นกรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปชาเวทนียกรรมกรรมบางอย่างเป็นอปราคาปริยะเวทนียกรรมทีนี้ไอ้อุปชาไอ้ทิฏฐธรรมนะถ้าชาตินี้มันไม่มีโอกาสให้ผลปุ๊บเป็นอโหสิเออดีไปแม้ถ้าบุญเราม่อยากให้เอาโหสิเลยนะ ตามมาให้หน่อยเธอถ้าบาปนะอุย้ยสาธุโอโหสิแล้ได้ก็ดีถ้าถ้าหากว่าอุปชาเวทนียกรรมใช่ไหมอุปชาก็คือให้ผลในชาติหน้าถ้าเขาไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าสมมุติว่าชาติที่แล้วนะเราทํากรรมไว้ไอชาวนะดวงที่เจ็ดนะทั้งชีวิตเลยนะดวงที่เจ็ดทุกๆวิถีเลยถ้ามีโอกาสก็จะให้ผลแกเราชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสปุ๊บเป็นโอโหสิสองถึงหไม่เป็นโอโหสิก เว้นไว้แต่ว่านิพพานเออถ้านิพพานนี่จึงจะเป็นอโหสิถ้าไม่นิพพานนะจะไม่มีอโหสิเลยตลอดแสนโกดกลับมันยังตามมาให้ผลเนี่ยเป็นแสนโกดกับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมไหนที่ไม่เคยทําไว้บ้างหายากเว้นเว้นเว้นมัคจิตผ ล, ลจิตที่เหลือทํามาเกือบหมดอะ่ะนะทํามาเกือบหมดเน่นะไอ้ที่ดีสุดๆเนี่ยเราไม่เคยทำใช่ไหม กรรมประเภทมรรคผลเนี่ยยังไม่เคยทำแต่ถ้ากรรมต่ำลงมากว่า น, นั้นประเภทโลกิยาจิตนะทั้งกุศลอ ก, กุศลนี่มันสังสมไม่หมดแหะทีนี้วิบากเหล่านั้นจะให้ผลหรือไม่่นะอยู่ที่ประโยค์ค่าของเราอยู่ที่ประโยค์คะส่วนหนึ่งนะจะให้กุศลให้ผลขนาดนี้เลยก็ได้ใช่ไหมจะให้ผลขนาดนี้เลยได้ไหมเราพยายามเดียวทำได้ไหมออ<ช>มาจะทาให้ดูะ าลองเพราะอยลองสิคะอันนี้ฉันน้ำ แ, แล้วหวานแล้วด้วยจากครู ว, วิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณเกิดแล้วนะผลของกุศลถ้าจะให้อกุศลให้ผลเลยทําได้ไหมเนี่ยเคาะปกมันก็เจ็บแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วแต่ประโยค่านะส่วนหนึ่งอ่ะเพราะเหตุมันบริบูรณ์แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะมันคล้ายๆกับคนที่ะสะสมสมมุติว่าจะไปซื้อของจ่ายของในตลาดอย่างนี้ใช่ไหม คือจะจ่ายอะไรก็ได้เพราะมันมีมีทุนพอที่จะจ่ายได้ล้วก็ซื้อของได้กรรมในอดีตของเราก็เหมือนกันอะ่ะขนไว้เต็มกรุษไม่รู้เท่าไหร่ถ้ามันจิตหนึ่งดวงนะถ้ามันใหญ่เท่าเม็ดทรายนะไม่มีที่เก็บหรอกกรรมของเราในอดีตอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดให้อะไรให้ผลก็ได้แล้วแต่ประโยคะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอ่ากรรมส่วนหนึ่งแล้วแต่ประโยคะแต่ภาค ร, รมนั้นมันมีกาลังจริงริงนะ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 ยังบินไปถูกบ่วงได้ยังไงก็ไม่รู้บินไปตกถูกบ่วงรับพอดีเลยอ่ะถามว่าทําไมมันแม่นขนาดนั้นก็บอกถ้าอากุศลมันจะให้ผลมันทําให้ประโยค่าวิบัตินั่นแหละปุ๊บมันจะปิดหมกเลยก็เหมือนกับคนธรรมดาเอะก็นั่งอยู่ดีๆออกไปเดินให้รถชนตายแล้วก็นั่งอยู่ประเทศดีๆแล้วใช่ไหมก็ออกไปให้รถชนตายเฉยๆอย่างนั้นเนี่ยทำไมประโยชนค่าเาวิบัติขนาดนั้นัน้นถ้าอากุศลมันมีกําลังจริงๆเนี่ยมันจะผลักดัน หลักดันชวณจิตคือเราต้องไม่ลืมใช่ไมว่าอากุศลในอดีตเป็นปัจจัยแก่วิบากในปัจจุบันไม่ใช่นานนะัขากขน่กกรรมะอย่างเดียวใช่ไมมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือปกักตูปกักะตูปะนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยให้คิดวิบากเช่นพระสมัยก่อนเนี่ยอดีตชาติท่านเป็นในพรานท่านเจริญกรรมฐานประเภทกายคตาสติอาการสามสิบสองเมื่อพอสมควรระดับหนึ่ง เสร็จแล้วพอท่านเจริญอาการ32มากๆเข้านะความคิดท่านวิบัติขึ้นเลยอยากจะฆ่าตัวตายเสร็จแล้วท่านก็แสวงหาสาตราเลยนะหาจ้างเออนี่แกช่วยฆ่าฉันทีถ้าแกฆ่าฉันนะบาดจีวรนฉันจะยกให้แกหมดเลยสมัยก่อนเขาเขาทำอย่างนั้นเลยนะพระหลายองค์เนี่ยจ้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยฆ่าทิ้งในตะติยะป ร, ะราชิกว่าด้วยการฆ่ามนุษย์ พันในในศีขาบทนั้นก็กล่าวถึงว่าพระที่เจริญกรรมฐานถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้พระองค์เนี้ยห้ามไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เนี้ยอดีตกรรมมันมีกําลังมากทําให้ประโยชค่าให้ความคิดนั้นอ่ะเกิดคิดอยากฆ่าตัวตายแม้ท่านพระชนนะพระชนนะรูปหนึ่งนะพระชนนะมีสองรูปพระชนนะรูปหนึ่งเป็นผู้ติดตามวันออกบทกับพระผู้มีพระภาคพระชนนะอีกรูปหนึ่งเป็นพระที่ป่วยไม่สบาย พระชนะนั้นก็เอามีดโกนมาปาดคอเลยนะียพอปาดคอปับ๊บนิมิตมันปรากฏเอ้เราทีแรกท่านนึกว่าท่านบรรลุแล้วเข้าใจผิด น, นัะ น, นึกว่าบรรลุแล้วก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายพอมีดโกนเนี่ยปาดคอปั๊บนิมิตมันปรากฏพอคติไอพวกคตินิมิตปรากฏปับ๊บท่านสังเวชใจท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรนี่ท่านก็เจริญมิปัสสนาตรงนั้นแล้วก็เป็นพระอารหันต์ปัจเจเวคณายามเกิดขึ้นจุติพอดีพอดี นั่นแหละ โ, โหเสียงที่สุดเลยนะวุดวิดที่สุดเลยอะ่ะนั่นแหละแต่ก็มีไม่กี่องค์เนะี่ยที่ที่ฆ่าตัวตายนี้พระโคทิกะอีกองคหนึ่งมีพระชนะอีกองคหนึ่งมีน้อยองค์มากที่ฆ่าตัวตายและประสบความสําเร็จนั่นแหละส่วนยายยิ่งพมัยเนี่ยโดดตึกตายนี่ก็ไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายเนี่ยสําเร็จสมความปรารถนาเนี่ยได้ตายสมอยากแนยแต่ว่าตายแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยสุดแท้แต่เจตนามีผลนะถามว่า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 การเรียนรู้สภาพธรรมนั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยนะกรรมมะปัจจัยไงก็คือประเภทของยาตะปริญญาเั้นยาตะไม่ใช่แค่เหมือนกับเคยแตะเบรกรถมแตะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะกาหนดคําว่ากาหนดแบบแบบบาลีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเยียไปเฉยเหรือไปแช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าเป็นการวิจัยเลยวิจัยสิ่งนั้นนั้นพร้อมทั้งปัจจัย เช่นวิจัยจิตเห็นอันนี้พร้อมทั้งปัจจัยอาเช่นจิตเห็นของเราเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมจิตเห็นเนี่ยเป็นสภาพนามธรรมา ท, ที่นะคือสภาพที่รู้อารมณ์จิตเห็นอันนี้เนี่ยปัจจัยของเขาคือตาถ้าไม่มีตาตัวอย่างจิตเห็นไม่เกิดเพราะฉะนั้นนะให้คนตาบอดเนี่ยมาเห็นไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ต้องมีสีด้วย สีนั้นจะ ต, ต้องรู้ว่าสีไหนถ้าธรรมะของธรรมายมมองเห็นยมพุกการปั๊บถ้าไฟดับเนี่ยหมดสิทธิ์เลยงั้นแสงสว่างก็ถือว่ามีความสําคัญกับจิตเห็นมากแต่ถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะที่เห็นก็ไม่มีนี่นี่ส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะชาวณก่อนๆ น, นั้นอะ่ะที่ที่เป็นปัจจัยให้เห็นเนี่ยสมมติถ้าอยู่อย่างนี้นะเห็นยมผู้การเห็นเห็นถ้าไม่มีประโยคะไม่เห็นถ้าไม่เหลียวไม่เห็นแน่นอนดังนั้นประโยค่าจึงเป็นปัจจัยแก่การ การเห็นแม้แต่จิตเห็นอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บมันต้องวิจัยตั้งหลายๆเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกรรมปัจจัยถ้าเรารู้เรื่องกรรมปัจจัยเราจะมองเรื่องชีวิตได้มากขึ้นทีนี้แม้แต่ตาตัวตานี่ที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นก็ยังมีกรรมเป็นปัจจัยอีกกรรมไหนที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตานั้นอ่ะใช่ไหมกรรมที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตากรรมในชาตินี้มาเป็นอุปถัมภะกรรมแก่ตาในชาตินี้ได้ไหม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 ก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยอย่างมากนะวินิจฉัยอ ย, อย่างละเอียดถ้าวินิจฉัยอย่างละเอียดไม่ได้นัวิปัสสนาชั้นสูงๆเนี่ยแทบแทบไม่ไม่ใช่ฐานะเลยเป็นของที่ยากมาก